การติดตามข่าวหลวงตาการติดตามข่าวของหลวงตาจาก3ทางคือ 1. ทางทีวีดาวเทียมหลวงตามหาบัวด้วยการติดจารรับระบบ4แบนรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม2ความถี่3801เมกะเฮิรตซ์ค่า SR 1445 KSPS ระบบแนวนอนตลอด24ชั่วโมง 2. ทางวิทยุคลื่น FM 103.25 MHz ตลอด24ชั่วโมง 3. ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.luangta.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 042-292-267 ความปรารถนาผมและคณะผู้จัดทาหนังสือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเผยพระรธรรมกขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจองค์หลวงตาท่านชราภาพมากแล้วอายุเข้า95ปีในปีพุทธศักราช2551แต่ยังต้องแบกสังขารเพื่อโลกและประเทศชาติโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน ก้าวแต่ละก้าวที่ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์พาดําเนินให้เห็นถึงบุญและบาปตัดกิเลสความโลภให้อยู่ในความพอเพียงเพื่ออยู่โดยไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงรู้จักจุนเจือซึ่งกันและกันและที่สําคัญอย่างยิ่งท่านต้องการให้พวกเราเชื่อในบาปบุญคุณและโทษให้เชื่อว่าบุญมีจริงและบาปมีจริงมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพบเป็นชาติประสบการณ์ของบุคคลต่างๆในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนท่านสามารถติดต่อกับเขาทั้งหลายเพื่อหาความจริงที่เขาได้สัมผัสด้วยตัวเองเขาอาจจะช่วยท่านได้หากท่านมีคำถามมีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลอื่นกรุณาติดต่อที่เว็บไซต์คุณ u a วง .net k h u n l u a n g .net หรือโทรศัพท์ 0 2 5 3 1สองห5สหนึ่งสห้าผมและคณะยินดีตอบคำถามของท่านเพราะเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันลงชื่อคุณหลวงและคณะผู้จัดทำรร